สวรรค์มีอยู่ที่ใจ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 ควบคู่ไปกับชีวิตของเราเนียกว่าเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทโดยปกติแล้วชีวิตที่ประมาทเนี่ยมักเก็บทรงจิตทรงใจให้ออกนอกตัวอยู่เสมอๆไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาท้งหูเป็นต้นไปกับความคิดไปกับกิเลสไปกับผู้อื่นสิ่งอื่นนอกตัวเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการ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 ชาให้เรารู้ลงไปในอาการของมันอาการของเวทนานั้นก็มีอาการตึงๆหนักๆชาๆอันนี้เราคืออาการเดีย๋ยไปรู้มันว่ามันมาจากไหนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้ในสมมติล้มันจะลึกไปแล้วเรารู้แค่อาการที่มันตึงๆมื่ยๆหนักๆอันนี้คืออาการคือรู้ที่ความรู้สึกของเวทนาน บางครั้งเราเกิดความคิดนึกขึ้นมาเนี่ยทั้วเป็นการรู้จิตความคิดอย่าไปรู้ในเรื่องราวอย่า ล, ลึกลึกลงไปในเรื่องราวของความคิดรู้ที่อาการฟูฟูแฟบๆนี่แหละคืออาการของความคิดรู้ในความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นตัวปรมัตรธรรมไม่มีชื่อไม่มีความหมายไม่มีสถานที่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 มึนๆซึมๆไม่แช่มชื่นสังเกตดวการเหล่านี้เนะี่ยอันนี้คือความรู้สึกของความง่วงเป็นธรรมะเนี่ยเราเลืกลู้ลงไปในความรู้สึกที่มันมึนๆไม่แจ้มชื่นเนี่ยหนักๆ ก, กาลังจะครอบงมจิตใจเราเนี่ยนแหละคือความรู้สึกจะว่าเห็นธรรมในธรรมก็ได้เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมคือธรรมะ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 ถ้าเราคว้าเอาความไม่มีทุกข์ในจิตใจในปัจจุบันแล้ว